บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งเรื่องขันห้ามีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับขันห้าซึ่งควรทราบไว้เป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นดังนี้ 1. รูป ตามแนวอภิธรรมแบ่งรูปเป็น28อย่างคือหนึ่งมหาภูตรูปสี่เรียกง่ายๆว่าธาตุสี่คือปัทวีธาตุสภาพที่แผ่ไปหรือกินเนื้อที่อาโปธาตุสภาพที่ดึงดูดซาบซึมเตโชธาตุสภาพที่แผ่ความร้อน วาโยธาต์สภาพที่สันไวห 1.2 อุปัายรูป24รูปอาศัยหรือรูปที่สืบเนื่องมาจากมหาพุทธรูปคือประสาททั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายหรือจากขุโสตะขานะจิวหาและกาย อารมณ์สี่คือรูปเสียงกลิ่นรสหรือรูปะสัทธะคันธะรสะส่วนโพธภะไม่นับเพราะตรง ก, กันกับปัทวีเตโชและวาโย ο. ความเป็นหญิงอิทธินีความเป็นชายบุริสินสีที่ตั้งของจิตอทัยวัตถุ การแสดงให้รู้ความหมายด้วยกายหรือกายวิญญัติการแสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจาวาจีวิญญัติชีวิตตินซีช่องว่างหรืออากาศรูปัสะละหุตาความเบาของรูปรูปัสะมุทุตาความอ่อนยุนของรูปรูปัสะกา ม, มัจยตา ภาวะที่ควรแก่การงานของรูปรูปปัสตะอุปัชยะความเจริญหรือขยายตัวของรูปรูปปัตสิสันตติการสืบต่อของรูปเจระตาความเสื่อมตัวอานิจจตาความสลายตัวและอาหารหมายถึงโอชา พึงสังเกตว่าคำว่าหัตถายวัตถุซึ่งแปลากันว่าหัวใจและถือว่าเป็นที่ทำงานของจิตนั้นเป็นมติในคำภีรุ่นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกขันธ์ที่สองเวทนาแบ่งเป็นสามคือสุข หมายถึงทางกายหรือทางใจก็ตามทุกทั้งทางกายหรือทางใจก็ตามอทุกขมะสุขไม่ทุกขไม่สุขคือเฉยเฉยบางทีเรียกว่าอุเบกขาอีกอย่างหนึ่งแบ่งเป็นห้าคือสุขหมายถึงทางกายทุกขหมายถึงทุกทางกายโสมนัส ดีใจคือเป็นสุขทางใจโทมนัตเสียใจและอุเบกขาคือเฉยๆแบ่งตามทางที่เกิดเป็นหกคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจักขุูคือตาทางโสตะคือหูทางคานะคือจมูกทางชิวหาคือลิ้นทางกาย และทางมโนคือใจขั้นที่สสัญญาแบ่งเป็น6ตามทางแห่งการรับรู้คือ 1. รูปปรูปสัญญาความหมายรู้รูปเช่นว่าดำแดงเขียวขาวเป็นต้น 2. สัทธสัญญาความหมายรู้เสียงเช่นว่าดังเบาทุ้มแหลมเป็นต้น 3. คันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นเช่นว่าหอมเหม็นเป็นต้นสรสสัญญาความหมายรู้รสเช่นว่าหวานเปรี้ยวขมเค็มเป็นต้น 5. ้าผลัพสัญญาความหมายรู้สัมผัสทางกายเช่นว่าอ่อนแข็งหยาบละเอียดร้อนเย็นเป็นต้น 6. ธรรมะสัญญาความหมายรู้อารมณ์ทางใจเช่นว่างามน่าเกลียดเที่ยงไม่เที่ยงเป็นต้นขันที่สี่ สังขารตามหลักอภิธรรมแบ่งเจตสิกเป็น52อย่างเจตสิกคือธรรมะที่ประกอบกับจิตอาการหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตถ้าเทียบกับการแบ่งแบบคันหเจตสิกก็ได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารทั้งหมด คือในจำนวนเจตสิกห้าสนั้นเป็นเวทนาหนึ่งเป็นสัญญาหนึ่งที่เหลืออีกห้าสิบอย่างเป็นสังขารทั้งสิ้นสังขารขันจึงเท่ากับเจตสิกห้าิบอย่างซึ่งแยกย่อยได้ดังนี้กลุ่มที่1อัญญะสมนาเจตสิกเจตสิกที่เข้าได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว11บอ นักครบมี13บารเวทนาและสัญญาเป็นเจตสิกหมวดนี้แต่ไม่เป็นสังขารจึงตัดออกไปคือหนึ่งสัพพจิตตะสธาธารณเจตสิกเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงมีหคือผัสสะเจตนาเอกคัตตาในวงเล็บสมาธิชีวิตปินสีและมณสิการ จำนวนเดิมมีเจ็ดทั้งเวทนากับสัญญา 2. ปกินกะเจตสิกเกิดกับจิตได้ทั่วๆไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่ไม่ตายตัวมีหกคือวิตกวิจารอธิมโมก ค, คือความปักใจวิริยะปีติและฉันทะ กลุ่มที่สองอกุศลเจตสิกเจตสิกที่เป็นอกุศลมีสิบคือหนึ่งอกุศลสาธารณเจตสิกเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลทุกดวงมีสคือโมหะอหิวริกะอโนตัปปะและอุททะจัสอปกินณกะอกุศลเจตสิก เกิดกับจิต ท, ที่เป็นอกุศลแต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมีสิบคือโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสามัชริยะกุ ก, กุจจะถีนะมิธาและวิจิกิจฉากลุ่มที่สมโสภณะเจตสิกเจตสิกดีงาม คือเกิดกับจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤิคือเป็นกลางไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลมี25หคือหนึ่งโสภณะสาธารณเจตสิกเกิดกับจิตดีงามทุกดวงมี19คือศรัทธาสติอิริโอตต ป, ปะอโลพะอโทสะซึ่งอโทสะเท่ากับเมตตา ตัระมัชัด ต, ตาที่บางทีเรียกว่าอุเบกขากายปัสสธิความสงบแห่งนามกายคือกองเจตสิกจิตตปัสสธิกายละหุตาจิตตาละหุตากายมุทุตาจิตตามุทุตากายกรรมยตาจิตตกรรมยตากายปะคุญยตา ความคล่องแคล่วแห่งนมามกายคือกองเจตสิกจิตตปญญาปัจุณยะตากายุชุกุกตาความซื่อตรงแห่งนมามกายคือกองเจตสิกจิตตุชุกตาสองปะกินกะโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตฝ่ายดีงาม แต่ไม่ตายตัวทุกครั้งมีหกคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกรุณามุทิตาและปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรวมเรียกวีรติเจตสิกสากรุณามุทิตา ที่เรียกรวมกันว่าอัปปมัญญาเจตสิกสองในพระสูตรตามปกติท่านแสดงความหมายของสังขารว่าได้แก่เจตนาหกหมวดคือรูปสันเจตนาสัทธสันเจตนาคันทาสันเจตนารสสันเจตนาโพธพาสันเจตนา และธรรมสันเจตนาแปลว่าเจ็ดจำงหรือความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโพทัพะและธรรมารมขันที่หวิญญาณแบ่งตามทางที่เกิดเป็นหกคือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณ จิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณแปลาตามแบบว่าความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามแนวอภิธรรมเรียกวิญญาณอคันทั้งหมดว่าจิตและจำแนกจิตออกเป็น89หรือ121่่ดวง คือจานวนตามภูมิหรือระดับของจิตเป็นกามาวจราจิต54รูปาวจราจิต15อารูปาวจราจิต12โลกุตราจิต8ซึ่งแยกพิสดารคือโดยละเอียดเป็น40จําจแนกโดยคุณสมบัติเป็นอกุศลจิต12อกุศลจิต21 ซึ่งแยกพิศดาลเป็น37วิบากจิต36บแยกพิศดาลเป็น52บกิริยาจิตย0สบในที่นี้จะไม่แสดงรายละเอียดชื่อของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะเกินจำเป็นและจะทำให้ฟั่นเฟือ จบบทที่1เรื่องขันห้าสำหรับหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายมีทั้งหมด23บทนะครับท่านผู้สนใจโปรดติดตามต่อได้ในบทต่อไปและควรศึกษาไปตามลำดับเสียงอ่านโดยอริยะคุณจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่55สาำหรับหนังสือพุทธธรรมอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลังท่านผู้สนใจโดยเฉพาะการนำไปอ้างอิงพึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์ของทางวัดด้วยนะครับ ขออนุโมทนากับผู้ร่วมจัดทําอีกดังนี้บุญจันทร์โพคาพาณิชฐ์พัฒนรีรัตนสถียนจนัญญาบุญชนะนนท์สุกิจชนะชัยอัธยาสมบูรณ์วิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตน์รอบครัวเรียนทองปัญญาโกจันทร์พัญชิตาจุทธาสุริยานันท์ณัปชาสมุตใจมณีวิสาสินีสารพน์ทีพกรวงวิชัยพรทิวาลาวาลินดาวัฒนาเกียรติวงศ์ร่วมกับอีกหลายท่าน ดูได้จะกเครดิตและในส่วนของรายละเอียดและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง